การที่เขาเนี่ยจะไม่โกรธไม่เกลียดใครเนี่ยมันจะต้องไม่ตรงข้ามกับเขาจนเกินไปเข้าใจไหมอันเนี้ยคือถ้าตรงข้ามกับเขาจนเกินไปเขารับไม่ได้แร้วแล้วคนพาลอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งจะยิ่งจะแสดงออกที่หนักนวงแล้วก็รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราใช้อะไรที่ที่บางทีบางครั้งเราก็ใช้แรงๆออกไปเหมือนกันที่จะปราบคนอื่นหรือว่าจะแก้คนอื่นแต่ถ้าคุณดูปับ๊บคุณเห็นแล้วนะ ว่าพอคุณใช้ไปแล้วเขาก็ไม่ยอมเขายิ่งแรงกลับมาเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่าคุณใช้อันนี้ไม่ได้ใช้นี้ไม่ได้แล้วมีแต่จะโกรธเกลียดชังหรือว่าแค้นเคืองกันหนักขึ้นไปกว่าเดิมมันต้องรู้เลยต้องมีสติต้องรู้ตัวว่าวา่วาว่าไม้นี้ใช้ไม่ได้ล้วคุณต้องเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนวิธีการอื่นนะแล้วก็อย่าให้เขารู้สึกว่าว่าเราเนี่ยเหมือนกับโกรธเหมือนกับเกลียดชังเหมือนกับ จะเอาชนะกับเขาคือคือถ้าเขารู้สึกอย่างนั้นเขาไม่มีวันยอมคุณหรอกยังไงเขาก็ไม่ยอมคืออันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะเราลองนึกถึงตัวเราเองก็ได้ธรรมาก็เชื่อ ว, ว่าพวกเราทุกคนในที่เนี้ยมีไหมใครที่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครเลยเนี่ยมีไหมในที่เนี้ยธรรมาเชื่อ ว, ว่าต้องมีขนาดธรรมาเองเนี่ยยังมีอยู่บ่อยเลยนะโอ้สมัยก่อนอ น, นี้ก็ขี้โกรธเหมือนกันนะ เคยเคยเคยโกรธตอนสมัยเรียนอยู่เนี่ยเคยโกรธรุ่นพี่บางคนนะที่แบบว่าชอบมาทําเป็นนักเรงแล้วก็ชอบมาแกล้งคนอื่นเขาโอ้โหโกรธแต่เราเราสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาตัวโตกว่านะแต่เร า, เรา เ, ราเราเด็กกว่าแต่ยังคิดอยู่ในใจนะโอ้คิดไปไกลเลยนะเวลาโค ร, รามันแค้มันเจ็บใจอย่งนะคิดไปได้ไกลๆคิดถึงขั้นอะไรรู้ไหม คิดเนี่ยแม้ถ้ามีลูกกระเบิดอาลูกเบิดเครี่ยงหัวไปแล้วแต่มันเป็นความคิดนะไอ้ทํำจริงอาจจะไม่กล้าทําหรอกแต่ว่ามันคิดไปจริงๆเลยบอือ ม, มีมีดไม้มีอะไรต่ออะไรเล่นงานมันเข้าไปเลยโอ้เราเราก็คิดได้หยาบถึงขนาดนั้นนะใจเราซึ่งอันเนี้ยถึงบอกว่านี่ใช้ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็ระงับจิตใจเราได้นะเราก็จะเป็นอย่างนั้น แต่ตอนี้ก็อย่าไปเข้าใจผิดอีกนะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาก็เลยแบบอ๋อเราจะ ส, สยบคนที่โกร ส, สยบคนเลวได้นี่เราต้องโกรธเหมือนกันเราต้องเลวเหมือนกันแล้วเราเป็นพวกเดียวกันแล้วก็จะได้จะได้อะไรไปด้วยกันได้เอาแหมอย่างนี้ฟังธรรมะไม่เป็นเลยนะนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เราเรื่องอะไรเราเราจะไปทําตัวเ ล, ว, ลวเราไม่ควรทําตัวเลวหรอกแต่อันนี้ให้รู้ โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเร็วเนี่ยถ้ามันเร็วหยาบหยาบมากๆเนี่ยเราไม่ควรเข้าใกล้เราไม่ควรคบหาอยู่แล้วเมื่อกี้ก็บอกไปตอนต้นแล้วนะว่าไม่ควรอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เร็วถึงขนาดนั้นอย่างเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างพวกเรามาถือศีลปฏิบัติธรรมอันมาถึงเอาปัจจุบันนี้ก็แด่ถามคุณปัจจุบันเนี่ยคุณมีบ้างไหมล่ะที่คุณก็รู้สึกว่าไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้บ้างอ่ะก็มีใช่ไหมเ <laughs> นี่ยนี่คือความจริง แต่เขาไม่จะไปหยาบคายก็ไม่จะเป็นเลวร้ายถึงไอ้มหาโสนะหรือสุหนุนี่หรอกนะอ่าแต่เราก็รู้ว่าโอ้โหเราก็ยังมีจิตอย่างนั้นจริงๆอยู่เลยเรายังมีจิตห ย, ยาบหยาแปลงๆอยู่ภายในอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราจะแก้ยังไงล่ะคราวเนี้ยจะแก้ยังไงยิ่งพวกเราเองเนี่ยเราว่ามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมจริงนะยังมีกิเลสอยู่ แต่อย่างน้อยเราปรารถนามาอะไรล้วมาทําดีมาเพิ่มศีลใช่ไหมมาเพิ่มบา ร, รมีของเราเราก็ต้องรู้ก่อนที่ว่าเออเออนี่แต่และคนตั้งใจจะมาพัฒนาตัวเองให้ให้เพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าความสามารถมัน ไ, ไม่เท่ากันบางคนก็หยาบบางคนก็มาเนี่ยโหละเอียดปานนิดละบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าเรารู้แล้วคนนี้เอ้เพื่อนคนนั้นยังหยาบอยู่เลยนะแต่ต้องอยู่ด้วยกันอีกคนนี้ห น, นีไม่พ้นน่ะแต่คุณจะทํายังไงไม่ให้เขามากัดคุณพิการได้นะอ้าวก็ดิ๊เขาก็บอกนะว่าอะไรนะมามาปล่อยมา ม, า ม, ามาหาโส น, น่าเขาไป่ได้ฝูงมาตอนนี้ชอบไปกัดมาตัวอื่นโหบางทีกัดถึงขั้นเขาพิกลพิการไปเลยนะบางคนในหมู่พวกเรานี่มีมาแล้ว เจอมาแบบมหาโศน่กัดเข้าพิการเลยพิการทางใจว่าโอ้โหยังโกรธแค้นยังไม่ชอบใจมาถึงทุกวันนี้โอโ้ถือสาเกียิชังอยู่ทุกวันนี้โจงบางคนนี่มีนะแบบว่าธรรมมาเคยจะยินมากับหูตัวเองเลยอพูดพูดให้ธรรมาได้ยินเลยด้วยหมายถึงว่ามาคุยกับธรรมาเนี่ยกู้ให้ได้ยินเลยว่ า, วา เ, นเนี่ยนะถ้าตาบใดคนนี้อยู่อย่างเงี้ยนะยังเห็นกันอยู่นี่นะ ยังไม่คุยด้วยเลยไม่มองหน้าด้วยเลยเลยบอกโอ้โหคุณมาปฏิบัติธรรมนะเนี่ยคุณยังจะจะอะไรถึงขนาดนี้แสดงว่าไม่เข้าใจเป้าหมายแล้วก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองมาเอาอะไรเนี่ยมาทําอะไรเนี่ยคุณมาทําอะไรเริ่มลืมละเริ่มลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วว่ามาเพื่ออะไรว่านี่จะต้องจะต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ชัดพอเรารู้อย่างนี้ใช่ไหมอา้าวแต่ว่า เขาก็ยังไม่เกินขีดที่หมู่กลุ่มไม่รับอะ่ะถ้าใครเลวร้ายจนเกินไปเนี่ยหมู่กลุ่มเห็นว่ามันแย่แล้วมันต่ํากว่ามาตรฐานมาตรฐานแล้วควนที่หยาบเกินไปแล้วหมู่กลุ่มก็คัดออกแน่นอนเขาไม่ให้อยู่ในหมู่กลุ่มนี้ใช่ไหมแต่นี่หมู่ยังให้อยู่แสดงว่าเอาเ อ, เ, อเขายังไม่ถึงกับเกินขีดมาตรฐานไม่เกินขีดแดงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรายังจะต้องเป็นพี่เป็นน้องหรือยังจะต้องเป็นเพื่อนในการ ปฏิบัติทำร่วมกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องเจอะเจอสิจะต้องพูดคุยจะต้องทักทายจะต้องปฏิสันพานใช่ไหมเพื่อที่จะอะไรคราวนี้เพื่อที่จะแก้อะไรละคราวนี้แก้จิตเราเองจิตเรานี่ไม่ควรไปโกรธไม่ควรไปเกลียดชังคราวนี้เนี่ยเราจะปราบบุคคลที่หยาบคายเรารู้แล้วว่าเรา เราอยู่ในธรรมะเนี่ยเราจะไปใช้ความหยาบคายปาบความหยาบคายมันมันไม่ใช่นะมันมีแต่ว่าที่ผู้เจ้าท่านตรัสว่าใช้มานะล้างมานะเอออันนี้มีใช้มานะล้างมานะแต่ว่าคำว่ามานะแปลว่าคำว่ามานะแปลว่าความพยายามนะเอแปลถูกก็บ มานะอันนั้นแปลแบบภาษาไทยแปลแบบภาษาไทยโพจนานุนกรมไทยน่าจะแปลว่าความขยันความพยายามความภาคเพียรต่างๆเขาเขาเขาเขาแปลอย่างนั้นเป็นแบบภาษาไทยแต่ถ้าแบบภาษาพระเนี่ยภาษาทางบาลีมานะนี่คื อ, อความถือตัวความถือดีหรือว่าความยึดดีอะไรพวกเนี้นะอันนี้เนี่ยคือมานะ เพราะถ้าเราเองเนี่ยเราจะใช้มานะลางมานะนี่ถ้าโดยตัวเราเนี่ยเราควรจะใช้ถือถือไอ้ที่มันดีจริงๆสิคนถือดีเนี่ยแสดงว่าต้องมีดีให้ถือใช่ไหมถึงจะถือดีได้ถูกกับเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องถือดีจริงๆถ้าคุณจะใช้มานะลางมานะเนี่ยคุณต้องใช้ความดีนั่นแหละมาถือให้มันดีจริงๆโดยเอาดีเนี่ยแหละที่จะทําให้ เขาเนี่ยยอมรับดีอันนี้ให้ได้เลยถึงใช้ว่าเอามานะเนี่ยไปล้างมานะเขาก็ต้องคิดว่าเขาดีเขาคิดว่าเขาถูกเราก็คิดว่าเราดีเราก็คิดว่าเราถูกเพราะนั้นก็เอาเอาความดีหรือเอาความถูกต้องนี่แหละเป็นตัวแก้เป็นตัวล้างเป็นตัวชนะอย่าเอาความอวดดียกตนข่มคนอื่นนี่ไปล้างถ้าอันนี้ไม่มีใครยอม ถ้าคุณใช้ใช้การเอาชนะนะคะคาร์านเนี่ยที่จะชันต้องเหนือกว่าแกเอาเข้าไปแล้วไม่มีใครยอมหรอกคนที่มีมานะอยู่ไม่ยอมเพราะัคุณต้องเอาเอาที่ดีกว่าทํำยังไงเราถึงจะดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกดีขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งเขายอมเลยว่าคุณดีเหนือกว่าเขาจริงๆต้องให้เขายอมด้วยความดีไม่ใช่ยอมด้วยการที่เราเนี่ยไปข่ ม, มเขา หรือว่าไปเอาชนะเขาแบบชนิดที่ที่เรียกว่าเขาไม่ยอมเราอ่ะคือถ้าอย่างนั้นแล้วไปไม่รอดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเขาจะพูดว่าถ้าใครจะเอามานะเนี่ยไปชนกันเนี่ยคือเอามานะไปชนะคนอื่นเนี่ยมีข้อแม้ว่ามีข้อแม้ว่าไง ส, สมมติว่ามีใครเนี่ยนะเรารู้สึกแหม่ต้องปาไปคนนี้ให้ได้มานะมันจัดเยอะเกินมัน มันอวนดดื้อถือดีเหลือเกินเราจะปราบคนเนี้ยพราะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยอันนี้จะต้องมีว่าเขาจะต้องรู้สึกยังไงกับเราเราถึงจะใช้มานะเนี่ยล้างมานะเขาลงไปได้อ่าอย่างน้อยเขาจะต้องมีศรัทธาอยู่เขาจะต้องมีศรัทธาเราพอนะคุณจะคุณถึงจะใช้อย่างนี้ลงไปได้ถ้าเขาไม่ศรัทธาคุณเลยนะ ยิ่งยิ่งอะไรรู้ไหมยิ่งถือว่าเอ้ยพอกันพอกันยา่ยาอยพอกันเนี่ยระหนักที่สุดเลยที่ไม่ยอมเราเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นคุณยิ่งจะไปคิดโอ้โหไปอบรมสั่งสอนเขาคิดว่าจะไปจัดการเขาให้เขาเนี่ยเชื่อเราแล้วยอมตามเราไม่มีทางเลยยากมากเลยยิ่งเราเราแรงใส่เขาลงไปเนี่ยตูมตูมลงไปเขายิ่งไม่ยอมคุณ ไม่มีทางเลยรับรองเลยว่าหัวเด็ดตีนด้วนเลยแล้วยังไงเขาก็ไม่ยอมคุณเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรู้นะอาตมาบอกให้ต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยแต่ถ้าลูกเลยนะไม่ศรัทธาพ่อแม่คนนั้นแล้วคุณใช้อานาจใช้ความเป็นใหญ่ของความเป็นพ่อแม่นะคุณจะอบรมเขาคุณจะบังคับเขาหรือคุณจะตีเขาเขาไม่ศรัทธาพ่อแม่ คนนี้แล้วเนี่ยไม่มีทางเลยคุณเขายัางไงเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ลงให้คุณเลยแลมาถึงบอกเนี่ยเราจะไปใช้มานะอย่างเงี้ยไปล้างมานะเขาไม่มีทางหรอกกนต้องบอกว่าต้องมีข้อแม้นี้ว่าเขาเนี่ยยังศรัทธาคุณได้อยู่คําว่าศรัทธาแปลว่าอของของพ่อท่านใช้อยู่สามคำศรัทธาเนี่ยสามระดับ เอาอุตัวแรกก่อนตัวแรกเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคนที่คุณจะใช้มานะข่มมานะเข้าลงไปได้แล้วเขาจะยอมคุณเนี่ยเขาต้องมีศรัทธาให้ถ้าไม่มีศรัทธาคุณทําไปนะพางทุกรายอ่ะรายไหนก็รายนั้นรับรองเลยทะเลาะทะเลาะกันไม่มีทางอื่นเลยแต่ถ้าเรามีตัวนี้อยู่คุณแรงใส่เข้าไปเพราะเห็นไหมบางที พ่อแม่บางคนโอ้โหว่าลูกแรงๆเลยนะเอาไม่ต้องพ่อแม่ก็ได้นะเอาเพื่อนฝูงนี่แหละแต่เขา mm hmm. เขาเขายอมให้คุณอยู่เขายกให้คุณอยู่ในเรื่องของว่าเออคนนี้เขาเขาดีจริงอ่าคนนี้เขาเหนือกว่าเราจริงโ้หคนนี้เขาปฏิบัติศีลได้ดีดีกว่าเรานะอะไรเงี้ยคือมีศรัทธาพวกนี้อยู่ในคนนี้วันพ่อคนนี้แรงกับเราเนี่ยเรายังยอมได้เพราะว่าใจมันยกให้อยู่ไงอันเนี้ย พอเราตูม้มตุมตุมลงไปเขาอ้าอ้ า, อายังยอมรับฟังอยู่นเพราะอันเนี้ยที่บอกว่าไปใช้มานะรางมานะเราจะต้องรู้คุณสมบัติตรงนี้ด้วยถ้ารู้ตรงนี้แล้วคุณใช้ไปแล้วได้ผลแต่ตอนนี้เอาละปรากฏว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาเราแต่ต้องอยู่ด้วยกันจะทำยังไงกูจะใช้บอกว่า ที่ตะกี้อดีตมาพูดถึงว่าอะไรนะไม่ต้องคุยกันถ้าเดินผ่านกันก็ไม่มองกันละไม่ปฏิสันานไม่ทักทายอะไรกันละแล้วอย่างนี้อยู่ไปอย่างงี้มีประโยชน์แหละอยู่ไว้ก็เหมือนกับเหมือนกับศัตรูเหมือนกับคนเกลียดชังกันโอ้จะอยู่ไปทำไมอย่างเงี้ยแล้วคุณมาปฏิบัติธรรมทาไมเนี่ยมาทาไม มาต้องบอกว่ามันไม่ถูกมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเอา้าก็ต้องปรับสิคราวนี้เรารู้แล้วว่าเขาก็มีอัตามานะอยู่เขาก็ยึดดีของเขานะเขาก็ถือดีของเขาอเขามีได้ล่ละแล้วเราก็รู้ว่าเราก็มีแต่บอกแล้วต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเป็นพราดรภาพคือต้องเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆเนี่ยแล้วคุณจะทํำยังไงคุณจะแก้ยังไงเนี่ยอันนี้นี่ เป็นเรื่องจริงๆในชีวิตของเรานะซึ่งบางทีเนี่ยจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรจนเกินไปเพราะว่าพวกเราไม่จะหยาบคายอะไรถึงขนาดนั้นแต่มันมีจริงๆันในชีวิตคุณทุกวันเนี่ยที่บางทีคุณก็เจอคนอย่างนี้จริงๆแล้วคุณก็ไม่ชอบใจจริงๆแล้วคุณก็ยังไม่ชอบใจอยู่คุณยังไม่ได้ปรับคุณยังไม่ได้แก้อะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณไม่ไปไปทะเลาะด้วยเท่านั้นเองแต่ อัตตามานะและความถือดีของคุณที่คุณยังไม่ยอมก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเขาไม่มาแตะคุณหรือคุณไม่มาแตะเขาท เ, เ ท, ขขท่านั้นเองเลยทําให้อ่าอ่าสงบสุขสงบสุขหรือสงบศึกไว้ก่อนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดวันไหนฝนตกไฟฟ้ารั่วเอาละสิก้อนนี้ยไฟฟ้าช็อตเลยสิคราวนี้ได้เรื่องเลยอะใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะคุณยังเก็บไว้อยู่เลยนี่มันพร้อมที่จะ ไอ้ระเบิดออกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องแก้ต้องล้างให้ได้แต่นี้ทํำยังไงอ่ะยิ่งยิ่งเราคิดว่าต้องเจอเขาแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาอ่ะแล้วก็ควรเป็นเพื่อนควรเป็นพี่น้องด้วยซ้ําไปไม่ใช่แค่เพื่อนพี่น้องในทางธรรมะเนี่ยแหละอา้าวแล้วจะทำยังไงคือว่าเราต้องหัดยอมให้ได้คา <c oughs> ตอบมาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหม คือตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญถ้าถ้าเป็นลักษณะอย่างเนี้นะเพอบอกแล้วเราไม่จะไปหยาบก็ลก้กีเนี่ยยกเรื่องนี้ให้เห็นเนี่ยให้เห็นว่าทําไมล่ะมาดุร้ายสองตัวนั้นถึงไม่ทะเลาะกันได้แล้วอยู่ด้วยกันได้อะเพราะว่าอะไรในเรื่องนี้ก็บอกว่ามันดุร้ายเหมือนกันใช่ไหม อ, อันนั้นอะ่ละล้กี้ก็บอกไปแล้วว่ามันนิสัย เหมือนกันมันมีรสชืยมหรือว่ามีอะไรที่ไปกันได้มันก็เลยแบบว่าอะไรอ่ะกลายเป็นยอมกันได้เป็นพวกกันได้แต่ถ้าบางอย่างอะไรที่มันแตกต่างเกินไปอย่างที่บอกใช่ไหมมันเลยอ้าวอันนี้ว่ามาอย่างนี้อันนี้ว่ามาอย่างนี้ใช่ไหมมันต่างกันมากเดี๋ยมันก็ไม่ยอมกันเมื่อไม่ยอมกันมันก็ต้องทะเลาะกันเพราะเมื่ออันนี้เรารู้ว่า เออนี่ขนาดมันด you ูร้ายดูร้ายด้วยกันมันยังเอ๊มันยังยอมกันได้เลยและอะไรที่ทำให้ยอมกันได้อะไรที่ทำให้ยอมกันได้เมื่ก pues ok ี้บอกแล้วอย่างอย่างอย่างที่คุยกันไปแล้วเนี่ยยกใช้คำว่าเราต้องการความถูกต้องหรือเราต้องการความถูกใจใช่ไหมเราต้องการมาเอาดีใช่ไมเราต้องการมาลดลายกิเลสถูกไหมเราต้องการมาเพิ่มพัฒนาบารมี บุญของเราขึ้นมาถึงบอกว่าถ้าเราชัดเป้าหมายเราชัดในสิ่งอย่างนี้อยู่เนี่ยไอ้นี่แหละมันจะเป็นคําตอบที่ทําให้เรายอมได้เพราะคนที่ยอมได้คือคนที่ได้คนที่ยอมเนี่ยคือคนที่ได้คนที่ไม่ยอมคือคนที่ไม่ได้เมื่อไม่ได้ก็เอกิเลสคุณก็ไม่ลดลงอะไรเลยคุณก็เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองไม่ได้ ว่ามันต้องมันต้องยอมได้ยิ่งบอกแล้วว่านี่เราไม่ใช่แบบว่าเขาเลวร้ายจนกระทั่งเอ้ยไม่ครบแบบนี้ไม่ครบอันนี้ไม่ใช่นี่มันอยู่ในหมู่กลุ่มของนักปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยกันแล้วนะเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเอ้ยเป็นเพื่อนเราได้เป็นพี่น้องเราได้เรายอมได้ไหมว่าถ้าเรายอมปับ๊บเราได้ทันทีเลยเราได้ลดอัตรามานะของเราบางครั้งเอานะคราวนี้ดูนะจะยอมยังไงที่ดูมันเป็นรูปธรรมขึ้น อย่างเช่นบางทีเจอกันบางทีเจอกันเนี่ยเราพอจะรู้รสนิยมหรือเราพอรู้นิสัยเขาบ้างมาว่าเขารสนิยมยังไงหรือเขานิสัยยังไงบางทียิ่งอยู่กันนานก็ยิ่งรู้อยู่แล้วละ่ะใครสไตล์ไหนสไตล์ไหนใช่ไหมจริงๆก็พอรู้กันอยู่คุณยอมบ้างได้ไหมละ่ะที่บางทีเนี่ยเขารู้ว่าอย่าไปพูดขัดคอเขามากนะ แ, แล้วคุณจพูดขัดคอทาไมอะ ถ้าท่าจะจะอยู่ด้วยกันฉันมิตรได้อย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีเรารู้ละแต่บางทีเพราะเราไม่ยอมใช่ไหมพอเขาพูดมาเราก็ไอ้นี่พูดมาอย่างนี้ฉันก็อ้าวพูดอย่างเงี้ยไอ้นี่พูดมาอย่างนี้เขาก็พูดอย่างเงี้ยก็ขัดคอไปขัดคอกันมาไปกันไม่ได้ก็นี่เวลาเรารู้ล้พอจะ ร, รู้สไตล์แล้วแล้วเราจะเป็นคนยอมเพื่อที่เราจะได้มรรคผลหรือว่าเราจะได้บา ร, รมีอันนี้เพิ่มขึ้นเพราะเราก็ฝึก ฝึกโดยที่ว่าเออเราเรารู้แล้วว่าคนนี้เขาเป็นยังไงเพราะบางทีเนี่ยมันก็ยอมในสิ่งที่เป็นไปได้ที่ทําให้เขาไม่โกรธไม่มาเกียรชังเรานี่นี่คือเพื่อนเพื่อนเรานะทําไมเราจะต้องทําแต่ตามใจตัวเราเองเหรอที่ว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันจะพูดอย่างเงี้ยไอ้ส่วนเขาจะชอบไปชอบเรื่องของเขาถ้า อ, อย่างนี้เราจะไปกันได้ยังไง ไปก็ไม่ได้อ้าวสมมุติว่าอย่างรู้ว่าคนนี้อ้าวสมมุติว่าเรารู้ว่าเขาชอบกินอะไรดีข้าวเหนียวส้มตำอ้าวนะ่ยเรารู้ว่าเขาชอบกินข้าวเหนียวส้มตำอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาอ่ะทำยังไงซื้อมาเลี้ยงเราไม่ชอบกินอ้าวสมมุติว่าเราไม่ชอบกินก็ได้ไม่ต้องซื้อก็ได้โถอเอ้ยบางที มีวัตถุดิบหรือว่ามีอะไรเออนะช่วยเขาทำหรือว่าบางทีก็มีใครทำมาแล้วก็ได้บางทีก็กเออเออเ อ, อ, เ, อ, อเดี๋ยวเราไปฝากเพื่อนเราหน่อยใช่ไหมถ้าคุณทำอย่างนี้ได้มีเหรือว่าจะโกรธเกลียดกันลงอ่ะเขาจะเกลียดคุณลงนี่มันไม่มีทางหรอกถูกไหมล่ะเขาจะเริ่มรู้สึกเออคนนี้ใช้ได้ใช้ได้มาหลังเอามาอีกนะเกลียดคุณไม่ลงหรอกโกรธคุณไม่ลงหรอก ยังไงก็อยากเป็นเพื่อนคุณแน่นอนแต่ว่าไอ้ที่ยังเป็นเพื่อนก็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาก็ไม่ยอมเราเราก็ไม่ยอมเขาแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่พวกที่มีอัตตา ม, มานันเนี่ยคือรอว่าเมื่อไหร่เองจะยอมค่าก่อนที่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะตรงนี้รออยู่ได้ห น, นะนะบางทีเนี่ยอยากจะยอมเหมือนกันนะแต่ดูท่าดูทีอยู่เรื่อยแหมเองก่อนทีเองก่อนสีทุกทีอนะมันมันกจะเป็นอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นคราวนี้ไม่เอาเลยบอกว่าเขายอมก่อนนี่เขาได้ทันทีนะเรายอมทีหลังนี่เราแทบไม่ได้อะไรเลย่มาบอกก็ได้คนที่ยอมทีหลังเนี่ยแทบไม่ได้ลดอัตตามารณะอะไรเลยแต่คนที่ยอมก่อนเนี่ยได้เต็มเต็มเลยได้เต็มเต็มก่อนเลยวันถึงบอกว่ามรรพบุอันนี้สําหรับผู้ที่ยอมก่อนเท่านะถึงจะได้มรรพบุตอันนี้จริงผู้ที่ยอมทีหลังไม่ใช่ของจริง พ่าเขายอมคุณแล้วคุณยังจะหน้าด้านทําเป็นแอมเบงคมอะไรอีกอ่ะถ้าใครนี่นะพอเขายอมมาแล้วนะยังออืมาทําใหญ่ทั้งเบงคงอีกแสดงว่าโอ้โหคนนี้หยาบอยู่เลยหยาบอยู่เลยยังหยาบอยู่ยังหยาบมากเลยแสดงว่าโอโ้ยังไม่ค่อยรู้รตัวม้อนคนลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมีเพื่อนยากมีเพื่อนยากแต่เราเอาอันนั้นเขาอ่ะ เขาอยากจะเบ่งเขาอยากจะใหญ่อยู่อย่างงั้นมันก็เป็นวิบากกรรมเขาเองแต่เราเราจะเป็นอย่างเขาเหรอเราไม่ควรเป็นอย่างเขาเราควรเป็นที่รักของเพื่อนฝูงใช่ไหมเราควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะกล้ายอมเหมือนกับคนที่กล้าจนนั่นแหละคุณคิดได้คุณจะกล้าจนคุณคิดได้คุณจะกล้ายอมแต่คนที่ยังคิดไม่ได้เนี่ยยังไม่เห็น เป็นมากเป็นผลยังไม่เห็นเป็นผลบุญเห็นผลประโยชน์ออกมาคุณไม่ยอมเด็ดขาดเพราะั้นคุณจะต้องเห็นตรงนี้ให้ได้ถ้าใครเห็นตรงนี้ได้แล้วจะปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้แล้วจะเป็นคนที่ยอมคนอื่นได้คุณจะไม่มาเสียดายหรือคุณจะไม่มาเสียใจเลยว่าดูซิยอมเขาแล้วดูเขายิงได้ทีขี่แพ้ไล่ใหญ่เลย อย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ใช่แพ้ <c oughs> อย่าไปคิดอย่างนั้นเราคนนะอันนั้นมันใช่อะได้ทีเขาเ้าขี่แพ้ไล่อันนั้นมันมันแพ้เรื่องของแพ้ไม่ใช่เรื่องของคนถ้าเรื่องของคนอ้าวคุณยอมได้คุณได้มากผ ล, ละนะมันต้องชัดนะถ้าตรงชัดทีนี้คุณจะยอมได้แล้วไม่ใช่ยอมแบบงงโง่ๆด้วยนะอันนี้ยอมเพราะคุณมีภูมาทําถึงนะาคุณถึงยอมได้คนที่ภูมาทําไม่ถึงนี่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ ผ่านด่านนี้ไปไม่พ้นด่านนี้ยังให้น้อยคนที่รู้เข้าใจและยอมอย่างนี้ได้นี่กำลังเข้าขา่ า, นน า, า, ข า, ขายฐานอนาคามีเข้าข่ายฐานอนาคามีถึงจะกล้ายอมอย่างนี้ได้คนที่ยังอัตตามาน่าจัดแลวยอมลักษณะตรงนี้ไม่ได้ยังหรอกคุณยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนยังไม่รู้ก็นั่นแหละ ก็เหตุผลอะไรต่างๆนะเป็นเหตุผลที่ทําให้เรายอมไม่ได้เหตุผลไหนก็ตามที่ทําให้คุณยอมไม่ได้เหตุผลนั้นากาั้นมรรคผลของคุณอันนี้บอกแล้วนะต้องเข้าใจนะอาจะมาตีกรอบไปแล้วนะยอมนี่หมายถึงว่ายอมในมวลหมู่ที่คุณเลือกมาแล้วนะว่าอันนี้เป็นหมู่มิตรดีสหายดีไม่ใช่แบบว่าไปยอมคนพาลที่เขาโอ้โหเลวซามแล้วเขาก็อะไรอะ่ะถ้าเรายอมแล้วก็เสียธรร หรือว่าทำให้ธรรมะนี่ก็ล่มสลายไอ้ไ อ, ไอันนั้นไม่ยอมหรอกอันนั้นน่ะแม้ตายนี่ก็เรานี่ยอมตายต่างหาเรายังไม่ยอมเสียธรรมบอกว่ า, าต้องต้องต้องเข้าใจให้ดีมันมันมีหลายขั้นตอนนะอย่ า, อ ย, าอย่าไปสับสนนะเดี๋ยวคราวนี้เลยยอมหมูยอมแมวยอมหมายอมไก่ยอมอะไรไปหมดยอมไปทั่วเลยแหมอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนี้ต้องต้องฉลาดต้องรู้ นะเหมือนทําบุญทำทานเนี่ยคุณทําอิเลคเคขาไปหมดคุณไม่ทําบุญกับโจรอ้าวคุณว่าคุณได้บุญไหมล่ะทาบุญกับโจรคุณไปทําบุญกับไอ้คนที่มันคดโกงมันก็เอาเงินทองคุณไปใช้แหละก็ไปใช้คดโกงไปใช้หาผลประโยชน์เบียดเบียนคนอื่นต่อคุณไม่ได้บุญอะไรคุณไม่ได้บุญคุณก็ได้บาปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นยอมก็เหมือนกันยอมที่ไม่ถูกสัจจะยอมที่ไม่ถูกทำนี่ มันก็เสียธรรมแต่บอกแล้วอยู่ในหมู่พวกเราอยู่ในผู้ที่มาถือศีลมาปฏิบัติดีมาพยายามเพิ่มพัฒนาตนในทางคุณธรรมความดีแล้วเรายอมได้นี่คนนั้นยิ่งเจริญยิ่งพัฒนาวันต้องชัดในประเด็นพวกนี้ยิ่งยอมใม้กับคนที่เราชัดเลยว่าผู้นี้คือผู้ที่มีศีลสูงกว่าเรา ผู้นี้คือผู้ที่มีคุณธรรมความดีมากกว่าเราผู้นี้เราเห็นเห็นเลยทั้งการปฏิบัติทั้งการลดละกิเลสเหนือกว่าเราจริงๆอย่างเนี้ยถ้าคุณยังยอมไม่ได้แล้วหมายความว่าอะไรถ้าคุณยังยอมไม่ได้จบเลยใช่ไมถ้ายอมไม่ได้เนี่อรารู้ทันทีเลยว่าโอ้โหกิเลสเรายังหนามากเลยเพราะนั้นมันควรจะยอมได้อยู่แล้วคุณคุณต้องชัดอันนี้เลยเพียงแต่ว่าบางทีมันขาดสติ มันขาดสติเนี่ย ม, มันวูบเนี่ยเพราะว่าเราบางทีก็หนาอยู่เหมือนกันเอาลมมันวูบเนี่ยคุณปล่อยไปแล้วละ่ะน็อตคุณหลุดกระเด็นไปหลายตัวแล้วนะน็ะนอตขาดเลยอ่ะมันไม่ใช่หลุดธรรมดาน็อตขาดเลยอ่นนี้ที่เรียกว่าโอ้โหหลุดใส่ไปอาตมาก็ยังเคยพูดให้พวกคุณฟังเลยเอาตมายังอาตมายังเคยน็อตหลุดกับพ่อท่านเลยโอ้โหเสียงดังแบบพูดแบบเสียงดังหน้าแดง ว่าใส่เพราะท่านอย่าน้เคยเลยแต่พอหลุดไปปั๊บเราโอ้โหมันได้สติเลยนะแต่ตอนมันขึ้นมันไม่ทันไงมันไม่ทันจิตตอนที่มันขึ้นแต่มันขึ้นจนกระทั่งมันสั่งไปประจีกรรมหลุดพ่วงออกไปแล้วเราถึงตายพอหลุดออกไปแเราถึงได้สติมันตามมาทันเอาตอนนั้นใช่ไหมพอทันเอาตอนนั้นจะหุบปากเลยคนนี้หยุดเลยว่าโอ้โหสวยแล้วเราพลาดไปแล้วเราหลุดไปแล้ว ปูปากเลยเงียบเลยกร น, นี้พราะรู้ว่าเราพลาดไปแล้วแต่พอเราพลาดไปเรารู้ปับ๊บใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้าเราเรามีสติเรารู้ตัวเราชัดเนี่ยคุณไม่ทําหรอกเพราะรู้ว่ามันเร็วรู้ว่ามไม่ดีรู้ว่ามันไม่ัมนไม่เหมาะมันไม่ควรไม่ถูกต้องละรับรองเลยว่าคุณจะไม่ยอมทําถ้าคุณคุณถือศีลคุณปฏิบัติทำมาถูกสายพุทธนะคุณไม่กล้าทําเด็ดขาดเพราะคุณรู้ว่าอย่างนั้นมันเร็วมันเป็นบาปกรรม รักภุณจะต้องมีวิบากต่อไปโอ้โหจริงๆเลยนะแค่แค่เรื่องพูดแค่นี้วิบากหนักนะยิ่งเราไปพูดกับผู้ที่มีศีลสูงกว่าเรายิ่งอัตมาใหญ่บางทีไปศึกษาเรื่องวิบากกรรมเรื่องอะไรมาโอ้โหยิ่งมันมันรู้อยู่แล้วนะมันอยู่ในหัวเนี่ยขนาดเนี่ยบางบา ง, บางชาติในอดีตชาติของพูดเจ้าเนี่ยมีข่าวหนึ่งพู้เจ้าเนี่ยไปว่า ว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าหรือไงเนี่ยไม่ได้ไปว่าหยาบคายอะไรมากมายเลยนะแต่เพียงแค่ไปพูดเหมือนดูหมิ่นเนี่ยขอขอพูดเป็นภาษาปัจจุบันนะทํานองนี้ว่าไปดูหมิ่นว่าหน้าอย่างเงี้เหรอว่าจะบรรลุธรรมได้คือพระ พ, พุทธเจ้าในอดีตชาติของเราเออเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยเป็นคารวาสอยู่เนี่ยไปเจอพระปัจเจกแล้วก็ ไปเหมือนกับตําหนิพระปัจเจกลักษณะเ น, นี้ยว่าโอ้ โ, อโหอย่างเงี้เหรอจะไปฝึกจะไปอะไรบรรลุธรรมได้โอไปว่าแค่เนี้ยพิบาตกรรมยังต้องไปชดใช้หน้าดูหน่าชมเลยนะแค่พูดแค่นี้เองยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปด่าไปอะไรหยาบคายเลยด้วยซ้ําไปนะพระพุทธเจ้าท่านก็เนี่ยท่านก็เล่ามาว่าโอ้โหท่านต้องต้องมาชดใช้หนี้หนี้พวกนี้ด้วยโอ้โหตัวเองพยายามมาฝึกเพื่อที่จะให้ บรรลุธรรมก็เลยกลายเป็นเสียเวลาไปหกปีเออต้องไปผิดทางต้องไปหลงทางต้องหกปีนานกว่าผู้เจ้าองค์อื่นๆเลยอ่ะองค์อื่นบางทีหกเดือนบ้างหรือบางทีหกวันบ้างอะไรพวกเนี้ยนะผู้เจ้าองค์อื่นเนี่ยไม่กี่วันเองก็บรรลุธรรมได้แต่ปรากฏว่าพระสมณะโคโดมนี่ต้องหกปีเนะี่ยโอ้โหไปบำเพ็ญผิดทางด้วยนะกว่าจะรู้ตัวขึ้นมา นถึงบอกว่าโอ้โหถ้าคุณยิ่งศึกษาเรื่องพิบากกรรมมันเนี่ยคุณรู้ชัดคุณไม่อยากทำอะไรให้มันผิดพลาดปล่อยกิเลสแล้วออกไปหรอกเพราะว่าเรารู้ว่าเดี๋ยวเราต้องชดใช้เพราะเราจะไม่อยากทำอย่างนั้นเลยนะเพรา ะ, ะนั้นบันนี้ฝากไว้นะในประเด็นพวกนี้เราจะได้นะเอาไปลองทบทวนศึกษาดูเราจะได้ไม่พลาดพลั้งเสียทีโดยเฉพาะกับหมู่มิตีสายดีที่เราคิดว่า หมูนี้ดีแล้วนะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยว่าหมูนี้ดีขนาดนึงแล้วเพียงแต่แต่ละคนภูมิธรรมไม่เท่ากันนะเราเจออุปสรรคเจอปัญหายังไงเราจะแก้ด้วยดียังไงที่ทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็บุญกุศลเราก็เพิ่มขึ้นนะอ่ะคงฝากไว้ท่านี้